ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปรทุมในวันนี้จะพูดเรื่องตายณะสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยคำกราบทูลของตายณะเทพบุตรเป็นพระสูตรที่แสดงหลักการก็ค่อนข้างสำคัญ เพราะว่าในการต่อมาเนี่ยทางคณะสงฆ์กำหนดเป็นบทที่พระใช้สวดในวันปฏิโมกทุกวันหมายความว่าเมื่อพระทำปฏิโมกจบลงแล้วก็จะมีการสวดก็ตั้งแต่นโมพุทธังแล้วก็แสดงถึงการแสดงเรื่องของศีล แดีวจะจบลงที่ตายนะคาถาคือคาถาของท่านตายนะเทพบุตรเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้ารับสั่งเล่าให้พระสงฆ์แล้วก็ให้จำส่งสาธยายเอาไว้โดยรับสั่งว่าเป็นเมื่องต้นของพรหมจันร์ คือเปหลักการเบื้องต้นในการใช้ชีวิตอันประเสริฐก็แสดงให้เห็นว่าธรรมในทางรู้ศาสนาอย่างที่เคยบอกเอาไว้ว่าในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยศา ส, สนานี่เกิดทีหลังธรรมะแล้วก็หลังเอานานมากๆสิเลย เพราะั้นพระเจ้าศัสรุธรรมะก็แสดงว่าธรรมะเขามีอยู่ก่อนที่พระองค์จะศัสรุการศัสรุเป็นการผุดขึ้นของธรรมะภายในประเทศไทยหลังจากส่งปฏิบัติให้สมบูรณ์ในอริยมรรคมีองค์แปดประการ แต่ว่าก็ตามความจริงในตอนนั้นเนี่ยเรีย ก, กว่าอริยมรรคเป็นองค์ปประการหรือไม่เราก็ไม่รู้หรอกคือโรสรพสต์แสงทั้งหลายนี่ที่จริงเป็นการบัญญัติเรียกเก่าตัวสภาวะเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นแต่เรียกชื่อเนี่ยจะเรียกอย่างไงก็ได้เพียงแต่ต้องการจะสื่อสารให้คนฟังเกิดความเข้าใจ เพราะเราเห็นว่าสื่อส่วนใหญ่นี่จะใช้สื่อที่เป็นรู ป, ปรธรรมแล้วก็มาเรียกสิ่งที่เป็นนามรธรรมเพราะหลักธรรมคาสอนในทามพระพุทธศาสนาจึงมีที่ไปที่มาก็เรียกว่าอซีแรงใหญ่ๆด้กันเรื่งหนึ่งก็คือเป็นผลตรงมาจากการศสัจรู้ซึ่งกหมายความว่า คนสมัยนั้นเองอยังเข้าไม่ถึงความจริงระดับนี้ เ, เช่นหลักไซรั์เนี่ยเราจะเห็นว่าคนก็มีความเชื่อในทํานองเที่ยงแท้อย่างยืนอย่างน้อยที่สุดพรมมันเนี่ยก็เที่ยงแท้และในการต่อมาเทพเจ้ า, ยาในศา ส, สนาเทวนิยมทั้งหลายก็มีลักษณะเที่ยงแท้ หรือแม้แต่มนุษย์จะหมุนบนอยู่ในสังสารวัฏหรือจะยังไงก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกันแต่ก็สรุปว่าถึงจุดหนึ่งนี่จะเข้าไปอยู่ในภาวะที่เที่ยงแท้หรือเข้าไปรวมหรือเข้าไปร่วมกับสิ่งสูงสุดที่เขากลครบนับถือและในกรอบของความเป็นทุกเองเนี่ยก็ยังไม่ยังมองในแนวของทุกเวทนาเป็นหลัก ผลความจริงํำกฏของพระไตรลักษณ์มันก็เป็นผลตรงมาจากการสัสรูของพระพุทธเจ้าในชั้นที่สมบูรณ์โดยเฉพาะนี่คือหลักอานาตาเนี่ยเป็นเรื่องใหม่เอมากๆเพราะว่าคนสมัยนั้นเรื่องอาตตาตัวตนแล้วก็เข้มแข็งเราจะเห็นว่าพวกอุปาทานพวกตัญหาพวกอุปาทานเนี่ยมันแสดงถึงความเป็นอนาตตาตัวตน แล้วก็หลักของปฏิจจสมบาติหลักริยสัจสี่หลักของพระนิพพานหลักโลกุตรธรรมทั้งเก้าเนี่ยนะก็หกมายความว่าเป็นผลตรงมาจากการสัสรูโดยแท้ส่วนระดับสมาธิระดับฌานรูปฌานรูปฌานต่ความจริงแล้วเขาก็มีการค้นพบกันอยู่ในสมัยนั้น เพียงแต่ยังเข้าใจผิดว่าเที่ยงแท้ก็ขอค้นถึงจริงแต่ว่าเข้าใจผิดอย่างเช่นอาราาบทกาลามโคหรอือตาการดาบทรามบุตรเนี่ยท่านก็เข้าใจว่าอรูปฌานข้อที่สี 3, ่ข้อที่สามกับข้อที่สี่ของเที่ยงแท้สันนาราบทถือว่าข้อที่สามนี่เที่ยงแท้ อุตการาบทก็ถือว่าข้อที่สนี่ก็เที่ยงแท้แต่ก็ถือว่าแปลกคือท่านน่าจะเทียบเคียงกันดูอาราบทก็น่าจะปฏิบัติขึ้นไปสู่เนวสัญญานะสัญญาญตะนะดูซิมันเที่ยงแท้หรือเปล่าหรือท่านอุตการณาบทรามาบุตรมันก็น่าจะปฏิบัติต่อไปแต่ว่าเมื่อเกิดความเชื่อว่ามันจบแล้วนะ่ยก็คือจบ ปัญหาตรงนี้ที่จริงเรามีปัญหาอยู่เยอะคือเราขาดการนำมาสอบทานนามาเทียบเคียงบางครั้งบางคราวเราพูดถึงระดับปรมัติภานเดี๋ยวนี้ชีวิตนี้ขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้มันก็พูดได้แต่ไม่ใช่นิพานในความหมายของพระพุทธศาสนา ผลนิพพานในความหมายที่แท้จริงนั้นกิเลสจะต้องหมดไปจากจิตใจยอย่างน้อยก็หมดไปเป็นช่วงๆตามพลังของอริยมรรคแต่ละข้ อ, เ, อเช่นว่าเป็นประสบันรสังโยชน์สามข้อเนี่ยก็ต้องหมดไปอย่างสิ้นเชิงแต่เราก็ไม่ดูตรงนั้นนะเราก็ดูใช้โมหานพูดกันเยอะแยะไปหมดเลย โดยไม่ดูว่าจริงเนี่ยการบรรลุนิพพานเนี่ยเป็นการพูดในเชิงปฏิเสธมากกว่าในเชิงยืนยันเดี๋ยวตัว อ, อย่างเช่นที่รับสั่งในธรรมจก 5, 5ักห้าห้าห้าชื่อนะก็หนึ่งก็คือการดับตัณหา น, นัสองจางโกคือสละตัณหา น, นัสามปฏิทิสโกคือถ่ายถอนตัณหาน n สีมุติคือจิตหลุดพน้นจากตัณหาเหล่านั้นแล้วก็ห้าอนาลโยคือจิตจะไม่เยื่อใ่ไม่อะไรในตัณหาทีละแล้วพูดในเชิงไม่มีกิเลสพูดในเชิงมีธรรมะเราจะเห็นว่ามันจะมีน้อยนะเช่นเช่นเป็นสุขสงบอย่างเนี้ยนิพพานังประมังสุ ข, ขงังนิพพานังประมังสุญญ ส่วนใหญ่า็ที่จริงก็ว่างนะแต่ว่าว่างจากกิเลสว่างจากปัญหามานาทัทิฏฐิหรือวั า, าทิตย์สันติบรังสุ ข, ขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเป็นต้นเนี่ยเพรา ะ, ะนั้นหลักเหล่าเนี้มันมีอยู่ระดับหนึ่งที่มีการศึกษาค้นคว้ากันแล้วก็พบแล้วยังยกตัวอย่างว่า โซลัสปัญหาคือปัญหามานสิบหกข้อเนี่ยแต่จริงกระจายข้อออกไปเยอะนะเพราะว่าท่านยังมีซักเป็นประเด็นประเด็นไปคือถ้าเราดูคำถามแล้วก็เป็นยุคทองทางาศาสนาจริงๆท่านคิดได้ขนาดนี้ท่านระลึกได้ขนาดนี้ท่านมองเห็นได้ขนาดนี้ไม่ใช่ธรรมดาเลย เส้นปัญหาชิดมานโนบอกว่าโลกคือหมูสัตว์อันอะไรปิดบังไว้จึงหลงดลุด ด, ดูในที่มืด อ, อะไรเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องสกัดกั้นความอยากเหล่านั้นเอาไว้ด้วยความอยากนั้นจะละได้ด้วยอะไรคือแต่ละข้อในมันแสดงว่ามันต้องสัมผัสผลมาถึงระดับหนึ่งแล้วก็หาทางออกให้ตัวเองไม่ได้ นำผลทางจิตเนี่ยมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าผลส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วรับรองความดีงามความถูกต้องที่มีอยู่แล้วแล้วคนพบกันแล้วเนะช่นรูปฌานรูปฌานมันมีอยู่แล้วสมาธิก็มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพวกนี้เป็นกุ ป, ปรธรรมคือกาเริบได้ มีความเปลี่ยนแปลงได้ประการต่อไปก็ส่งปฏิรูประบบคำสอนที่มีอยู่ก่อนหน้านั้นเราจะเห็นว่าในเทวตาสัญญุตเราเจอมาหลายข้อมันเป็นระดับความเชื่อเชื่อว่า พัญญาวัยรุ่นเป็นพัญญาที่ประเสริฐที่สุดลูกชายวัวปีเป็นประเสริฐที่สุดโครปริพัฒเป็นโคที่ประเสริฐที่สุดในหมูสัตว์สีท้าอะไรต่ออะไรเนี่ยคือมันเป็นระบบความเชื่อแล้วพระเจ้าก็ทรงรับรองแต่ว่าก็ปฏิเสธประเด็นนั้นคือนำมาปรับปรุงใหม่หรือว่า คนสมัยนั้นก็พูดกันแล้วก็ยังเป็นความจริงอยู่แม้ในปัจจุบันพวกนี้ก็ถือว่าเป็นการรับรองหลักการตรงนั้นแต่ว่าบางทีเนี่ยผลในภาคสนามเนี่ยจะไม่ได้ผลอย่างที่รับรองกันเัตว์จังเวอมตาวาจาคำสัตว์เป็นคำไม่ตายโบราณ ผนข้อความต่อไปจึงรับสั่งว่าเอสะธรมโมสนันตโนนี้เป็นของเก่าคือเป็นความเชื่อถือมาตั้งแต่บุรุษโบราณแต่พวิเจ้าก็ไปปฏิรูปคือเพิ่มเติมข้อความขึน้นสัจเจเทจะทำเมจะอหุสันโตปฏิติตาแต่ว่าสัตว์บุรุษจะตั้งอยู่ในคําสัตว์ที่เป็นประโยชน์ด้วยแล้วก็เป็นธรรมด้วยคือจริงอย่างเดียวไม่ได้ มันต้องเป็นประโยชน์ด้วยแล้วก็เป็นธรรมด้วยโดยเฉพาะยิ่งคือตัวประโยชน์ตรงนี้ถ้าเอามาวัดเนะบทความข่าวสารต่างๆในหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยคือบางทีเราก็เสียดายสตางค์นะะคือไม่มีคุณค่าพอต่อการเชื่อถือแต่ว่าได้อ่านอการระบายอารมณ์ของคนเหล่านั้นออกมา น, นั้นเองมันไม่ใช่ปัญหาความจริงแต่ว่าเป็นปัญหาอารมณ์หมายความมาชอบพูดอย่างสั่งพูดอย่างกลัวพูดอย่างง้อพูดอย่างนึเรื่องเดียวกันนั่นแหละแลวก็แสดงให้เห็นว่าคำนั้นมันอาจจะจริงในความรู้สึกของแก แต่ว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะถ้าเราไปรับมันก็เหมือนกับรับน้ำลายที่ก็ถมมาเอาหัวไปรับน้ำลายที่ก็ถมมาเป็นสํานวนที่รุ่นในแตกถานี่ท่านจยใช้บ่อยอีกแนวหนึ่งเนี่ยคือแนวตรงนี้แนวแนวแนวปฏิแนวปฏิรูปเนี่ยเถ้าเราลองสังเกตอดีเช่นสีนหน้าเนี่ยสีห้ามันมีมานาน แต่จากการศึกษาในรุ่นพวกชาดกพวกอัตกถาทั้งหลายเวาพูดถึงสีห้าเนี่ยจะพูดไม่เต็มข้อความมันไม่เต็มอย่งังไงคือแสดงว่าพระเจ้านำมาปฏิรูปอีกทีหนึ่งเพราะถ้าเรามองจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจับสีห้าไปได้เมือที่ยี่บสอง สิงหาคมที่แล้วเนี่ยได้รับอาราธนาไปบรรยายอภิปรายนะเชิงอภิปรายกับตัวแทนาศาสนาอีกสี่สาศาสนาที่รรงแรมจังหวัดสุราษฎร์ธา น, นี<ม>คือมาในเน้นประเด็นเดียวคือประเด็นสิ่งข้อที่หนึ่งประเด็นเดียวแล้วเรามองในมิติของธรรมชาติแทนที่จะมองในมิติทางาศาสนา เพราะว่าไอ้เงื่อนเวลานี่ยมันมันไม่นานพอที่จะไปอธิบายขยายความอะไรคือให้คิดแบบธรรมชาติกล้วกันอย่เนี่ยอย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รับสั่งในข้อแรกตอนเสด็จออกเสียบัญชรเนี่ยคือให้มีความคิดการทำการพูดด้วยเมตตา ต่อกันที่จริงก็คือต่อกันและกันต่อกันก็ต้องรู้กันว่าไม่ใช่ให้ทําคนเดียวแต่เป็นรูปกิริยาปฏิกริยาและข้อความเหล่าเนี้ยเราจะต้องเข้าใจว่าในภาคสนามเนี่ยมันจะมีอีกลักษณะอย่างเดิมเช่นคำว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาก็เหมือนกันคือเข้าใจซึ่งกันและกันมันเป็นไปไม่ได้หรอกมนุษย์อะ ถ้าคนหนึ่งเข้าใจคนหนึ่งด้วยคนหนึ่งไม่ยอมเขาจะอีกคนหนึ่งเลยเนี่ยไม่ต้องนับคนหลายคนสองคนก็อยู่กันไม่ได้สามีพัญญาเนี่ยถ้าไม่เข้าใจซึ่งกั น, ลกนและกันแลยอยู่กันไม่ได้แล้วต้องเข้าถึงซึ่งกันและกันเข้าถึงนี่เป็นองค์ประกอบเยอะแล้วก็ต้องพัฒนาไปด้วยกัน มาลอสังเกตว่าเช่นสามีพัญญามีพื้นฐานความรู้ที่ห่างกันเนี่ยหรือเติบโตมาในโครงสร้างสังคมที่ต่างกันถ้าไม่ช่วยกันพัฒนาแล้วถึงจุดหนึ่งจะอย่าร้างกันเพราะไม่สามารถจะเข้าใจกันแล้วก็ไม่สามารถเข้าถึงซึ่งกันและกันได้แล้วก็พัฒนาไม่ได้ในสุดก็ต้องเลิกเพราะในสีข้อที่หนึ่งเราเห็นชัดเจนพร้เจ้านามาปฏิรูป โบราณสินข้อที่หนึ่งเนี่ยโบราณมากเพราะในอากาัยสูตรในจักรวัตที่สูตรเนี่ยยังอยู่เลยสิห้าข้อนะฮะโดยเฉพาะยิง่งคือสินสี่ข้อข้อห้าเป็นเรื่องเกิดทีหลังยุคใดก็ไม่รู้นะแต่ว่าในกุรุธรรมชาดกเนี่ยก็ปรากฏว่ามีห้าแล้วพระเจ้าทรงสแสดงเป็นรูปสีนแล้วก็รูปถึงหลักใจแล้วก็ ออกมาจากใจเป็นการทำการพูดการคิดแล้วก็จบรับสั่งว่าอริยาสาวกในโลกนี้งดเว้นจากปานาธิบาไม่พกพาสตราวุธเครื่องประหารมีความสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายมีฮิริโอตตะมีความเมตตาเอ็นดู ที่สำคัญยิ่งคือมีจิตคิดอนุเคราะห์ต่อสัตว์ทั้งหลายเรื่องใหญ่เลยจิตอนุเคราะห์นี่พูดง่ายนะฮะแต่ทำยากเพราะว่ามันต้องมีฐานจิตที่กรุณ า, าที่เมตตก่อนอนุเคราะห์มันเป็นจิตกรุณาถ้าเมตตาไม่ไม่หนักแน่นมันคงพอจะอนุเคราะห์ได้ยากมันจะกลับเป็นเป็นวิหิงสาไป หรืออาจจะเป็นริศยาไปหรืออาจจะเป็นโสกะไปก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นคือเรามองดูว่าธรรมะระดับสังคมเนี่ยโดยจะเอาจากตรงไหนก็ได้จากตรงที่ทรงตรัสรู้โดยตรงมาหรือจากสิ่งที่รับหลักการดั้งเดิมหรือจากสิ่งที่ปฏิรูป จะมีส่วนหนึ่งที่ส่งปฏิวัติหมายความมาพลิกหน้ามือไปหลังมือเลยเช่นก็สอนเรื่องอัตตาพระเจ้าสอนเรื่องอนัตตาเลยสอนเรื่องการทรมานร่างกายว่าเป็นตบะพระเจ้าทรงแสดงว่าขันติเป็นตบะทรงสอนการเข้าไปอยู่รวมหรืออยู่ร่วมกับพรห ม, มันว่าเป็นบรมธรรมเป็นบรมสุขพระเจ้าทรงแสดงนิพพานเป็นบรมธรรม เรื่องการเป็นนักบวชในาศาสนาพราหมณ์ในลทัทธิพราหมณ์สมัยนั้นก็ยังไม่ถึงกับเป็นาศาสนาก็เป็นเจ้าในพิธีกรรมคล้ายๆกับฆ่าสัตว์ไม่บาปหมายความมาเอาสัตว์มาประกอบพิธีกรรมโดยความเชื่อถือในาศาสนาพราหมณ์เนีคล้ายๆก็เป็นสิทธิของตนที่จะฆ่าได้โดยไม่บาป แต่วความคิดเหล่านี้จนทุกวันยังอยู่นะแก้ยากเพราะว่าคนมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยคือให้ความสำคัญแก่ตัวเองจนลืมนึกถึงคนอื่นเอยจริงสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเขาก็มีครอบครัวมีพ่อมีแม่มีลูกมีปูย่ย่าตายายมีครัอญาติก็ตายไปตัวหนึ่งเนี่ยก็เดือดร้อนกันเนี่ยนะ เกิถ้าเราศึกษาชีวิตสัตว์มันก็ไม่ต่างอะไรกับมนุษย์ในเรื่องของความผูกพันทางสายเลือดเขาอาจจะถึงจุดหนึ่งอาจจะจางไปแต่ว่าถ้าเราคิดมันเกิดมาจากฐานจิตที่ละอายต่อบาปและสะดุ้งกลัวต่อบาปเนี่ยโอกาสที่จะมีความเมตตาหรืออินดูนะเมตากับอินดู เพราะอะไรเพราะว่าโลกนี่มีปัญหาเยอ ะ, อะคือการเบียดเบียนการประทุษร้ายกาันปัญหาซ้ำซากคือปัญหาความไม่รู้ความยากไร้โรคภัยค่าเจ็บาการวางแผนครอบครัวนี่มันยังไงมันก็แก้ไม่ได้แต่ว่าทํอยังไงว่าถ้าเราอยู่กันด้วยเมตตา การุณาต่อกันเนี่ยก็ช่วยแบ่งเบาช่วยบรรเทากันตามสมควรแต่ในขณะเดียวกันก็ควรจะพูดจากันบ้างเพราะว่าความยากไร้ซึ่เกิดขึ้นในสังคมไทยเนี่ยมีเยอะมากนะฮะที่เกิดขึ้นมาจากความเกลียดคร้านเกลียดคร้านมาตั้งแต่เรียนหนังสือแล้วเกลียดคร้านมาถึงช่วงทํางาน พอถ้เกียตครั้นมันจะเรียนหนังสือมันก็พอถึงทำงานก็ราย ง, งานต่ำขั้นต่ำต้องใช้ความพยายามมากมนยังเกียรตครัานอยู่มันก็มีปัญหาและบางทีทั้งเกียตคร้านทั้งไปตกเป็นทาสของอบายมุกหรือว่าอบายมุกนั่นแหละคือสิ่งเสพติดกับพวกการพนันปนัญหาเหล่านี้ที่จริงมันมีมากอ่อ มาก่อนศาสนาจะเกิดแต่ว่าไม่มีศาสนาไหนแก้ได้ร0อยเป็นเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่คือเราให้ความสำคัญแก่ธรรมะน้อยไปที่จริงธรรมะถ้าเราจับหลักให้ได้เป็นจุดยึดเหนี่ยวใจไว้สักข้อหนึ่งเนี่ย เช่นเมตตาคิดทำพูดโดยเมตตาต่อกันเนี่ยสังคมมันก็สันติแล้วนะก็ไม่น่าจะไปบุ้นวายอะไรนักหนาแต่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างหนึง่งคือเราจเจริญก้าวหน้าทางด้านวิชาการในเยอะมากแต่ว่าเวลาคนเหล่านั้นแสดงความคิดเห็นอะไรออกมาเนี่ย รู้สึกว่ามันมีความบุนแรงมันมีอหังการมังมังการเยอะมากแล้วก็หมายความมาถ้าวันก่อนเนี่ยมีมีมีคนระดับด็อกเตอร์นะฮะรู้สึกจะเป็นรองศาสตราจารย์พูดแปลกคือเขาพูดถึงคนซึ่งเป็นพักพวกของเขา ีกอะไรล่ะสาริกาคัดเลือกไปสิบคนที่เป็นกรกตคือบอกว่าถ้าในห้าคนเนี่ยสวเขาเลือกห้าคนแล้วก็ได้คนนี้เข้าไปด้วยเนี่ยแสดงว่าไม่มีการบล็อกโบทแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยก็หมายความบล็อกโบดเอ้ยจะให้หมายความยังไงแล้วนี้ก็เออพุท ธ, ธิภาวะเขาขนาดนี้เหรอ ทำไมไม่เคารพสิทธิในการเลือกเพราะเขาเอาคนสิบคนมาเทียบเคียงกันนะ่ก็แน่นอนว่าเป็นคนดีเท่าชี้สานดิกาเขาเลือกมาแต่เราก็เอาสิบเนี่ยเอาที่ดีกว่าเนี่ยเอามาห้าคนนะ่ะมันก็ต้องตกไปห้าคนแน่นอนแหละแต่ทำไมไปเอาเกณฑ์มาถ้าไม่เลือกพวกตัวเองแล้วก็ถือว่าบล็อกโบสถถ้าเลือกจึงเรีย ก, กว่าไม่บล็อกโบส แล้วถ้าคนอื่นเกิดคิดอย่างนั้นขึ้นมาเราจะทํำยังไงเพราะถ้าเลือกคนนั้นอถือว่าบ ร, รัโกดถ้าไม่เลือกคนนั้นไม่ถือวบ ร, รัโกดทีนี้มันก็ยุ่งแล้วมัดมืองก็ไม่สงบต้นความคิดตรงเนี้ยเป็นความคิดที่จําเป็นจะต้องมีธรรมะเป็นมาตวัดก็อันมาเอา ทำหนังสือมาเล่มหนึ่งนะแต่ว่ามันค่อนข้างจะให้คิดคือพูดแนวให้คิดคืเราเชื่อมั่นในพุทธธรรมเราถือพุท ธ, ธรรมในจับได้สักจุดสักจุดหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะบริหารบ้านเมืองได้จะมีริรโอตปะเนี่ยเป็นธรรมะคุ้มครองโลกอะบ้านเมืองมันก็จ่อยรอยเล็กนิดเดียว ถ้าใจของชาวโลกมีฮิริโอตรปะปาด้วยกันการบริหารบ้านเมืองมันก็อยู่เย็นเป็นสุขละมันมีงานการบางอย่างแน่นอนว่าคนมีฮิริโอตรปะปาทำไม่เป็นหรอกก็ไปเรียนเอาสิแต่ว่าใจมันไม่มีหิริโอตรปะปาเราเรียนแต่ขาดยังไงก็ตามถ้าใจเราไม่มีฮิริโอตรปะปามันก็มีปัญหาเรื่องขอรับชันปัญหาโกงกินปัญหาอะไรต่างๆ หลักธรรมในพูทธานาจึงมาสี่ทางอย่างที่ว่าเนี่ยอะไรก็ตามที่สามารถให้เกิดประโยชน์โดยพิสูจน์กันว่าการทำอย่างนี้กึ่งกูลต่อการครองชีวิตหรือไม่แล้วก็ดูที่ไหนดูที่เรามีความสุขหรือไม่เพราะั้นท่านพุางลองสังเกตว่าธรรมะสามคำนี้อัตถิตะสุขะ อัฏฐะแปลว่าเป็นประโยชน์ฮิตะแปลว่าเกื้อกูลแล้วก็สุ ข, ขะก็คือเป็นสุขสามอย่างนี้จะต้องเป็นปัจจัยของการอะกันแล้วก็พิสูจ์ก็ับไปกลับมาได้หมายความในขณะที่คนกาลังมีสุขอยู่เนี่ยแสดงว่าเขาประพฤติกระทาในสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะอาการของความสุขเนี่ยเป็นอาการของความดีที่เกื้อกูลต่อ พัฒนาการทางจิตของเขาทำให้เขาได้รับความสุขหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยเราก็ดูที่เกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลทีนี้ถ้าเกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลมางที่พิสูจน์เองไม่ได้เราก็ดูว่าเขามีความสุขหรือไม่ถ้าก็มีความสุขก็ถือว่าเกื้อกูลถ้าไม่มีความสุขก็ถือว่าไม่เป็นการเกื้อกูลนี้ก็เป็นเป็นบทพิสูจน์ เหมือนเราจะเห็นว่าธรรมะทั้งหมดที่ในประกฏอัพุทธนานี้เป็นพุทธภา ษ, ษ, ษิตเป็นสาวกภา ษ, ษิจยตจะยกตัวอย่างเนี้ยนิพิตังสาทุรุปานังกตันอยู่กตเวทิตาเนี่ยเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมาเจา้ากรมพระยาเวชยานโรรสก็สมเนภาษาหนาษาเคยเรียบเรียง แต่ว่าฟังแล้วก็ยากเพราะงั้นท่านก็มาปรับสนนมุนสมัยหรือสติสัตตปฏิยาสติจำปรารถนาจำต้องใช้ในที่ทั้งปวงเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชาส่งประพันธ์ขึ้นแต่เคยพบนะฮะข้อความนี้เคยพบในพระไตบิดก ก็ จ, จะดึงมาจากไตรมิตรก็รออา จ, จะเรียบเรียงเองก็ได้เพราะองค์นี้ท่านเป็นป ร, ริยนธรรมสิบปดประโยคเก่งมากเก่งภาษาบาลีมากหรือว่าโลกปาธรมด้วยการเมตตาเงี้ยเมตตาเป็นธรรมคำจุนโลกอย่างนี้สมเด็จพระธรรมนะส่งเรียบเรียงขึ้นจากนิยะของพระสูตรคือเมตตาในสังสุดมันก็ถือว่าเป็น บัณฑิตภาสิทก็ได้หรือเป็นส า, สาวกเขาไม่เรียกนะคือสาวกถ้าเราพูดกันโดยความเคารพพระหลังจากพระสุภัท t h เป็นต้นมาเนี่ยเรียกสาวกไม่ได้ก็เรียกภิกษุได้เรียกว่าเทระได้เรียกว่าอะไรก็ได้นะฮะแต่ว่าเรียกว่าสาวกไม่ได้เพราะว่าสาวกสาวกโกแปลว่าผู้ฟัง และความฟังจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าแต่วันนี้เอามาใช้เสี็จจบจนเปรอะหมดแม้แต่ว่าแฟนนักร้องที่ติดใจในเพลงอนนักร้องอันีก็จะสาวกคนนั้นคนนี้คนนั้ น, ค, น, น, น, ค, น, น, นคือพวกสื่อสารมวลชนเนี่ยวิชานิเทศศาสตร์เนี่ยก็สอนอะไรกันยังไงก็ไม่รู้ก็ชอบกนไง ชอบไปกรรทำย่มยีกระศาสนาโกยเถยโยมพระอาหารหันชานาสิบแปดอาหารหันอะไรวันกอน่อนเด็ฟังล็อกเตอร์หรือช้ำอะอย่างเจอต้องคุยกันหน่อยอ่ไปเรียนแบบชาวบ้านเด็กสิบแปดอาหาร 4, อาหารันแปดอรหันสี่ห้าอรหันอะไรแต่ไ้ชใช้ไม่ได้อ่ะคือม่ขาดความเคารพ คือการสะท้อนเนี่ยมันจะต้องไม่บิดเบือนเช่นใช้คําว่าอายตนะนิพพานนิมถือว่าบิดเบือนนะแล้วก็แสดงว่านิพพานเป็นโลกหรือนิพพานเป็นโลกุลลกตระมันก็ขัดแย้งกันเอ๋คุณใช้คํามื่นได้ไหมอย่าให้ชาวบ้านก็สับสนแล้วก็ต้องการที่จะไปอยู่ที่นั้นก็ไปเถอะก็ไม่ได้ว่าอะไร ก็ไม่ได้ทำชั่วทาผิดอะไรเมื่อชอบใจพบภูมิที่มันมีความประนีตแต่ยังเป็นสังสาระนะฮะคืออย่าลืมว่าพบภูมิยกเว้นสุทธาวาสมันก็ยังโอกาสหมุนวนเข้าสู่กระแสสังสารวัตรแต่ถ้าสุทธาวาสนั้นแน่นอนถ้าก็อยู่นานนะนะแต่ว่าท่านไม่มีโอกาสที่จะตกต่และ ก็เรียกว่ามีกระแสเบื้องบนขึ้นสู่อย่างนั้นก็ไปนิพพานที่อ น, นิตภพซึ่งเป็นรูปประพรมชั้นชั้นที่สิพบหกและคํานี้บางทีก็เป็นเทวตาภาษิตที่เราพูดพูดมาเนี่ยเป็นเทวตาภาสิตต่อไปนี้ก็คือเทวตาภาสิตและบางทีก็เป็นพรมภาสิตเป็นอิสิพาษิตเป็นอะไรต อ, อะไรต่างๆสรุปว่ามันเป็นสัจธรรมก่อนแล้วกัน ทีนี้ประเด็นที่น่าสังเกตก็คือว่าเป็นการกล่าวจากประสบการณ์ตรงของตัวท่านตายณะเทพบุตรเพราะท่านตายณะเทพบุตรไอ้ท่านเคยเป็นเจ้าลัทธิมาแล้เป็นเจ้าลัทธิที่เป็นสมมาทิฏฐิเพราะนั่นก็ไอ้สิ่งที่ท่านที่ท่านเอามาพูดเนี่ยคือสิ่งที่อำนวยผลให้ท่านเกิดเป็นเทพบุตรเพราะันก็ อย่างที่บอกนะคนเราถ้ากิเลสลดแล้วต้องมองคนอื่นด้วยกรุณาไอ้ น, นี้คือประเด็นเลยวางมาศใหญ่โตเป็นครูบาอาจารย์ยังไงก็ตามแต่ว่าขาดความรู้สึกแม่ตากรุณาต่อบุคคลอื่นเนี่ยไม่ใช่หรอกครับอันนี้เป็นบทพิสูจน์ได้เลยอย่างที่ก็ยยกตัวอย่างนะว่าที่จริงแล้วมันเป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีทางสังคม แม้่ก็เหมือนกับเราไปกินของอร่อยเนี่ยเราต้องนึกถึงคนที่เรารักต้องซื้อของมาฝากแม่ฝากลูกฝากพัญญาฝากสามีอะรก็แล้วแต่ฝากญาติคือถ้ากินแล้วเนี่ยกินคนเดียวเนี่ยเป็นไปไม่ได้แสดงว่ายังเห็นแก่ตัวคือคนที่ได้รับผลจากธรรมะต้องนึกถึงคนอื่นอยากให้คนอื่นได้อย่างที่ตัวเองได้ เพราะเราจะเห็นว <icana>, ่ามันม <tro> ันเป็น euh จุดต่างต่างคล้ายๆกับพลิกพลิกหน้ามือไปหลังมือเลยคือกิเลสเนี่ยมันต้องการได้เองต้องการมีเองต้องการเป็นเองแต่ธรรมะเนี่ยต้องการให้คนอื่นได้ต้องการให้คนอื่นมีต้องการใ้คนอื่นเป็นเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราสงเคราะห์ของเราได้แต่การทานเนี่ยเราเห็นว่าต้องการใ้คนอื่นได้ต้องการใ้คนอื่นมี ต้องการคนอื่นเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านั้นเราให้เขาให้เขาได้เขามียเขาเป็นบางอย่างก็กล่าวแนะนำธรรมะเผยแผ่ธรรมะออกไปเพื่อให้เขาได้เขามีให้เขาเป็นอย่างที่เราสัมผัสมาระดับหนึ่งก็ไม่ใช่พูดถึงบรรลุอะไรหรอกแต่ว่าเราก็สัมผัสมาได้ระดับหนึ่งเราก็อยากจะเห็นอยากจะเห็นว่าทำยังไงให้คนอื่นเขา เขาได้เขามีเขาเป็นมันทำด้วยจิตกรุณาทีนี้พอพอเห็นใครออกไปนอกทางมันไกลสุดกูเราก็รู้สึกเสียดายรู้สึกสงสารรู้สึกสลดใจเมือวันก่อนไปบรรยายอบรมที่เพชรบุรี นั่งมาในรถก็มีข่าวทางวิทยุบอกว่าท่านอาจารย์มหมาบัวก็ไล่ในทองก้อนออกจากวัดทำยุ่งเกี่ยวกับวัดป่าบ้านตาดทั้งหมดเราวางแล้วก็นึกเออสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมเขาก็เสียดายครั คือเขามีความสามารถในการปลุกเราอารมณ์คนได้เยอะแต่ว่าเสียดายที่เอาไปใช้ในทางทางผิดเพราะนี้สร้างความกระทบกระเทือนศาสนามากนะแต่วันนี้จริงเราเป็นห่วงกันอยูเราอย่งนึกไม่ออกว่าจะแก้ไขกันยังไงคือพระที่ถูกในทองก้อนปลุกเราเนี่ยท่านก็สับสนพอสมควร คนที่คุ้นๆกันมาเนี่ยไม่ยอมพบหน้าเลยแม้แต่เห็นเนี่ยฮะแกก็พยายามหลบแสดงว่าเขิอนอายหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็คงจะต้องหาโอกาสคุยกับท่านเหล่านี้เือไม่ให้เตลิดเข้ารกเข้าพุงไปกันใหญ่เอาเป็นพุงท่านน่ะ มาต่อไปเมื่อสิ้นพระอาจารย์แล้วเขาจะอยู่กันยังไง เ, เขาจะเข้าหมู่คณะได้ยังไงเพราะเวลานี้นะครัก็ตัดตัวออกไปเลยไม่ยุ่งเกี่ยวกับพระสงฆ์ส่วนใหญ่ตีถ้ปล่อยา น, านาเนี่ยมันเฉยแล้วมันก็เขินอะ่ะพอเข้ามาถึงก็ปรากฏว่าญาติโยมมีบ้านในภาคเอามาภาคที่บ้านไม่มีโอกาสพบกับพระผู้ใหญ่ นันข้านั้นเข้าก็ห่างเหินกันไปเฉยๆอ่ะเรียกการต่างคนต่างอยู่ซึ่งก็เป็นอันตรายในความเป็นเอกภาพทางศาสนาแล้วก็มองท่านด้วยความเสียดายสงสารแล้วก็สลดใจก็หวังว่าเมื่อคนในชีนนำป้อนข้อมูลบิดเบือนข้อมูลจนทันสับสนเนี่ย ท่านคงจะได้หลักบ้างก็แล้วกันก็ตั้งความปรารถนาไปท่านตายนะเทพปบุต์มันก็เหมือนกับเทพบุตรเราอื่นคือใช้ประสบการณ์ตรงของท่านทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่ท่านประสบมาท่านเห็นผลแล้วนะคล้ายๆกับคนรับประทานยาแล้วก็หายโรคแล้วก็มาบอกเพื่อน เพื่อรับประทานบ้างเวลาถ้าป่วยโรคเดียวกันเป็นการแสดงแล้วก็พระเจ้ายอมรับนะอนุโมทนาและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือรุกมิชาลูกเจ้ารับสั่งให้พระให้พระสาธยายแล้วก็ทำนองคล้ายๆกับในสิบสองตำนานที่พลเอกเสรีเขาเล่าเรื่องอาตานาติยสูตร เกิที่จริงอาตนาติยสูตรเนี่เป็นเป็นบทประพันธ์นะของของเท้าจจตุมาราชทั้งหลายแล้วก็นำมากราบทูลพระพุทธเจ้าเพอเป็นวงพระถูก hmm. ผ so ีหลอกเท้าจจตุมาราชเองก็คุมบริวารตัวเองไม่ได้ก็เลยก็ให้คาถาไว้ป้องกันเดี๋ยวเรียกอาตานาติยสูตรจะขึ้นต้นด้วยคว่าวิปัสสิต แต่ประตุจริงยาวนะฮะยาวมากก็ในตอนหลังก็เป็นการเอาอ้างอนุภาพพรัตตนาไตระก็ถือว่าเป็นการน้อมนำจิตของคนให้เข้าสู่พระัตนาไตร์พระเจ้าก็รับสั่งให้สาธยายไว้ให้สวดไว้แล้วก็ทุกวันก็กลายเป็นบทสวดอยู่ในปัจจุบันเหตุการณ์เหล่านี้ เ, เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าประทับอยู่ที่ประเชศตะวันเหมือนกันคือส่วนใหญ่เป็นเป็นเรื่องที่น่าสังเกตนะว่าพระสดุส่วนใหญ่เกิดที่ประเชศตะวันเพราะว่าพระเจ้าประทับที่ประเชศตะวันนานสิบเกปี 19, สิบเก้าันปีไม่ใช่สิบเกปีหมายความว่าในปีนั้ก็ประทับอยู่ประจําที่ที่ประเชศตะวันสามเดือนหรือสี่เดือน นอกนั้นก็เสด็จจาริกไปสังสนราษดรในท้องถิ่นต่างๆแต่โลกมันมันเปลี่ยนแปลงนะคืออย่างนึกว่าถ้าพระเราใช้ปฏิปทาอย่างนี้ในความออกพรรษาก็ออกจาริกไปเป็นหมวดเป็นหมู่ไปในที่ต่างๆเนี่ย มันทำไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ทำไม่ได้เลยแม้แต่พระที่อยู่ป่าเนี่ยอยู่ป่าว่าญาติโยมเขาชาวสวนชาวป่าชาวไร่แม้แต่ชาวนาเนี่ยคือเขาตื่นตั้งแต่พระยังไม่ออกบินธาบาัติวันพระไปบินธบาตบางทีเขาก็เอาอะไรมาแขวนไว้ที่หน้าบา้านไม่ได้มีโอกาสตักบาทเลวเดวนี้มันมันมันโลกมันเปลี่ยนไปเยอะ เพราะงก็จำเป็นจะต้องใช้สื่อสื่อก็ อ, อีกอะสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุเนี่ยปัญหาว่าคนฟังหรือไม่ก็เราลองสังเกตว่าบางเรื่องเนี่ยเขาชวนไปพูดเรื่องอบายมุกบ้างเรื่องประคุณของแม่บ้างเราก็นั่งนึ ก, กว่าเอ้มันจะมีคนฟังหรือเวลาเนี่ยก็ไม่เคยให้แล้วก็ ไอ้ช่วงที่ออกอากาศเนี่ยมันมีรายการโทรทัศน์วิทยุอะไรอะไรมันเยอะมากก็สรุปว่าวเวเานี้เรื่องมันค่อนข้างยากขึ้นไปไปหลายๆเรื่องแต่ว่าเป็นภารกิจที่ต้องช่วยกันทำนะครับคืออย่าเนื้อกว่ากเรื่องบางเรื่องเนี่ยไม่ไม่น่าจะเอามาขยายผลขยายความอะไร เช่นวันก่อนก็ตกใจนะฮะเป็นขนาดเคยรักษาการอธิการบรดีมาวัชรัยเคพูดถึงเด็กเด็กมัธยมต้นทางภาคอีสาน <l acht> ก็อะไรนะเสียตัวไปตั้งเท่าไหร่ยี่หกคนเสียตัวไปย4ิบสี่คนอย่างเป็นบริสุทธิ์อยู่แค่สองคน คือข่าวอย่างนี้มันพิสูจน์ไม่ได้แล้วก็ถึงพิสูจน์ได้ก็ไม่กดพูดเนะ่ยทําทำยังไงวะยังไงเด็กเราเนี่ยคือลูกหลานเราอ่ะเธอพลาดไปแล้วถ้าเราไปซ้ำเติมมันก็แรงเกินไปมันควรจะเรียกมาคุยแล้วทีนี้คำมันกว้างเลยเกินอ่ะภาษานีสิบเก้าจังหวัดแล้วก็เด็กนุ่นก็เยอะ คือสรุปว่าถ้าเรารู้เนี่ยรู้ว่าอยู่ที่โรงเรียนไหนอะไรต่างก็ไปคุยกันเพื่อมาอยัางยังมีความมั่นใจนะฮะว่าเด็กเนี่ยพูด ก, กันได้แล้วค่อนค่อนข้างมั่นใจมากๆเลยเราไม่มีโอกาสพูด ก, กับเธอเองอย่าให้กลุ่มมันใหญ่เกินไปแล้วคุยกันให้เธอซักให้เธอแสดงความเห็นเราก็ถามให้เธอคิดค่อยๆย กัดกร่อนความคิดเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็เสริมความคิดความเห็นที่ถูกต้องเข้าไปให้เธอสำนึกด้วยตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องต้องช่วยกันเพราะถ้าเป็นง้นลูกหลายเราเป็นเหยื่อนะเป็นเหยื่อโลกเป็นเหยื่ออารมณ์โลกแล้วก็เป็นภาพที่น่ากลัว เราเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้อย่างอย่างปีเนี้จํานวนพระลดลงไปลดล ง, ลงหมดเลยวัดวรเองก็ลดพระวรนในบวชเยอะมากบวชไม่หยุดเดี๋ยวนี้ก็ยังบวชอยู่บวชที่สิบห้าวันสิบห้าวันเนทั้งปีชั่วงนาตาปีแต่ก็ส่วนใหญก็สิบห้าวันบวชอยู่พรรษาก็หกสิบกว่ารูปซึ่งเมื่อก่อนถึงลดลงครึ่งหนึ่งฮะ สมัยสมเด็จพระสังราชยังไม่ทรงประชวนี่ตั้งร้อยี่สิบเฉพาะในภาษานอกภาษาก็ก็เหมือนเดิมนะฮะอย่างอย่างเยอะจุ่นโอกาสที่ท่านเหล่านี้เราคุยกับเขาเราให้ง่ายคิดต่างๆกับเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ได้หลักเพ้นทำยังไงต้องช่วยกัน ไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตามเด็กเวลานี้หน้าห่วงใหญ่ทั้งนั้นต้องฝังถลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ได้ยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไยบูรณนธรรมตมีงมีท่านผู้ฟังถลายโดยทั่วกันสวัสดี